พระธรรมเตสนาจะดกปืนเบืองเหนือเรื่องส่วนหน้าแปะคำผูกติแปดเรียบเรียงใหม่ต้นฉบับเดิมจากเบืองเจียงตุงโดยปล่อยอินสมชัยชมพูปเปลียนทำฮกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงโม สัต a ภาวโตอาระโตสมาสัมปุทตะโพธิสัตว์เอกกวะหุตตามหาวันังปวิจิตรตี สาตาโวดุราสาปุริตาตั้งลายตั้งนิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟพาธานาะไข่ไก่กาละภากปนเสียจากวัตาสงสารจริงละการน้อยใหญ่สวะวางไว้เป็นหนุนนนำเอาตนจอมู โอ้มาสู่อารามแปลงใจงามผ่องแผ้วสมตะนาสินแล้วฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตมบาทคอบาดลีบาโพธิสัตว์เอกกวาหุตตาดังนี้เป็นต้นติดสืบสนตัวไปบัดนี้แด่เธอ โพธิสตัตว์อันว่าโพธิสัตว์องค์อาจกันลานางนาทิดาจากเกหาบอจาาา้าเข้าสู่ป่าไพรสนบ่มีรีปนไพรไตหรือผ่านน้อยใหญ่ตัวไฟเต้าอดใจดันเถือนบ่มีเปื่อนเดียวดาย ก้อยพันไายเตียวต้องไปรอดห้องแดนไก่หันสัดดงไพรป่ากวางคือหมูจ้างราจะสีตั้งเสือมีแรดสู ก, กำตั้งหมูกวางฟอนคาติ้งหานควายเถื่อนเตียวละเลื่อนหลวงลายพ่องมากกยตอด น, น้าพ่องเล่นกว่าสะสน หนต้าสะปนบุญใหญ่ก็เล่นไหลตัวไปย้อนหมายใจไขใดยังกว่างใหญ่ตัวพี่กว่างเล่นหนีไปนาเจ้าเล่นกว่าจอมหลังเหือไหลปังย้อยหยาินาวักญยาดกาหาเข้าดงนาจะใจก็ยังบ่ได้นังไมยอิจเรือไหลจริงจอด หายใจตอดสู่ซาพิจารณาสั้นสองหายัางจ้องอุบายว่ากว่างมีลายแต่ใส ย, ยับบอดใดดังใจยาสันดดยนั่นโสดจากปนโตดมาร า, าเจ้าบุญนากึดขวาดหูถึงจาดเดิมออนจริงย่อก่อนขับไว ยังเต่ป่าไทยไปบนว่าบัด bon นี่ตนข้าน้องตุกโศต้องทนัดใจเหตุเจ ok ้าห่อใจใจยาบขมขานาปงวางเฮยยังกวางตัวใหญ่ไปท้าวายเต้าไทยปารากันคนได้หาบ่ได้เต้าจักใส่ตันดกรรม คอือนำไปคาด้วยดาบกาขมบางคาดันดงขวางแต่เจ้าทาราบต่อเต้าถึงควายหันควางลายแต่ใส ย, ยับบอดใดดังใจสุดวิสัยแห่งคาเตียงใดความนาบสังกาขอปีมชจวยกำฮื้อหลวงลํำตั้งผ่านตามปฏิญญาจาดก่อน เรายังอ่อนเด็กขาตุกเครื่องกาถูกต้องหาปีน้องจอมกันได้ผายพันเตียวไตไปอยู่ไกลวังใสได้จะใครเ ก, ก่ารับความรู้จอมกันว่ากันดับพันไปเกิดเอากำเนิดแดนได้บอกว่าไก่หรือไก่กันคนใดใดขี้ขมตุกตกถมกันอยาก คือลำบากเลือใจจากปากันไปจ่วยกำอหลวงลำอนตาร้ายกันสันาายาไมยมันเตียง บ, บ่อบิดเบียงไก่กาจุมเราราปีน้องได้เปลาลงต้องวังทานยกตนตานเสียงซ้ำแก่สัตว์นำปูป่าบัตนีนาขา้านองตุกโศกต้องเลือลาย ขอตนใจเจ้าปีบีใจกี่ขุนดาจุงรีบมาช่วยข้าอย่าให้ความนาเมื่อมอนแดดเตอเมื่อนันเตวบุตรตนวิเศษอยู่ในเขตเมืองบนหูว่าตนน้องซอยตุกจจองห้อยนานํำมาตกคำคองค้าง ในป่ากว่างดงตันจิงเรียวปันไว้ว่องลงสู่ห้องดงไพรบันดลใจเสือเทาอันเป็นปีเก่าเดิมมาคือออกกู้หาทำใหญ่แล้วเล่นไหลจอมกว่างกาบมาวางต่อนาแห่งใจน้องลาบัดเดียวแล้วจะเลวตันต่อบอกน้องนอใส่ใจ ว่าแต่นี่ไปเมื่อนากันตุกโซกามองขี่อ้นตรายมีม า, กาไก่ไยะใหญ่มาเติงจุงรำเปิงถึงปีอันอยู่ตี่นี่ดงไพรปีจากไปจวยกำืฮหลวงลำตัางผ่านกันเสือดงดานตัวใหญ่ก่าวเสียงไข่สุดปลายก่อป่าปริวันหลใหญ่หน้อย นับหลายร้อยหลายปันเข้าดงตันปากว้างไล่แรด จ, จ้างกว้างทารายเอนีหายเล่นลีไปสู่ตีไกตาอันพรานดงนาน้อยใหญ่บ่ออาจได้ไปหันส่วนนอขุนทันน้อยนาได้กว้างงามอาจตัวปีเอาเจือกเส้นดีมัดไว จักจุงได้นามาออกดงนาไว้วองม้ารอทองเวียงใจก็นาไปถวายเต้าไทยผาปราส่วนพผาญะบาปกาหันเคยลาบุญมีนํากวางปีตัวใหญ่มาฮือใดตามกํำลวดโกธาดําไม่เอานากําเศร้าปานผี บ่าวดีและไรดักดูจักวายได้ได้เหตุอุบายแต่งไว้บ่สมไฟกานิ่งวังส่วนนอพุทธังหนุ่มเนาก่อกมเก่าอันจุลี แล้วก่อนนี้กาผากออกมาจากปร่ารถึงเกหาตุบน้อยก็เกาทอยไขยปั่นหื้อสีสุพันหน่อเน่าหูแต่เก้าถึงปลายก็มีหันเลยนะ เตปานาปลาโยธาส่วนรีปนลายมักเต้ามีหกเก้าเคยจ้ายหากเป็นนายแกหมูเข้าไปสู่ดงนอนมีวัเนจรพรันป่า อกกอหนานละำตางเปือยับกว้างตัวใหญ่หาฮือใดตั้งเป็นเข้าดงเย็นเถื่อนทองไปรอดทองแดนไก่ตามพรานไพรหนุ่มเทา หากบอกเล่าไขรปันก็บ่กได้หันสั์ป่าจักเล่นกว่ามากายตั้งกวางทารายแรจ้างบ่อหันข้างแดนใดจุมพ่านไั่หน่อยใหญ่เขาหากใดเคยหันว่าสัตดดงตันมวนหมูกเคยซุ่มอยู่แดนใดก่อป้าไปตีหันสัดฝูงนั้นหายซอย หันแต่ห้อยลายหลากตัวมันหากนี่หายพรานทั้งลายน้อยใหญ่ใจเอาไม่เววาว่ า, วาเราเคยมาบอบพนตั้งแต่ก่อนเบื่อนอนสั์ ด, ดงดานลายหมูยม่อมมาอยู่ซุ้มกันวีอนันต์ลายหลากตามเราหากเพื่อใจเป็นสันใดวันนี้ สัตว์ลีกลีหายหนเคยหกคนยศใหญ่น้ำไัยไตโยธาตั้งพรานดงนาหนุ่มเท้าสอดป่าเสา้าดงไพรถึงตาวันใสคำลาหลงลับป่าดงตันก็เบาหันแหละได้ยังสัตว์น้อยใหญ่ได้ได้ไดยินตันใจลายหลากจู่ผู้หากมองขี เหตุเข้าดงรีเถื่อนทองสอดไข่หองดงควางบ่อได้กว้างตัวใหญ่ดังเต้าไทยปงปันกันภายพันขึ้นสูญยังตีอยู่เวียงใจเต้าจอมตาเห็นยดยอเตียงคิวโคดนำดานำเราราไปคาืฮความนาว่ำวายเคยหกใจพี่น้องตุกโศกต้องถึงตน ใจเววยนเอาไม่กลัวจักใดมารณาตันผาญาลำมอกกึศบออกตั้งไดจิงตัดใจกะภาคออกมาจากดงนา ตั้มไก่กามารอถึงติจอดเวียงใจก่อขึ้นไปขับไวบอกเต้าไทยตามมีเจ้าปุรีหยดเน่าแสงโคดเาาหน้านำไขรยังกำหยาบจ้า ร้องเอินดาพระพายว่าสูหกใจนีไใสหากเ่าใบปาลาบ่มีพระญาองค์อาจบ่ฉาลาดซับเสียวเข้าดงเขียวเสียเป่า ไม่เสียหอเข้าได้ได้ปั่นเคยใจน้องลามันเข้าป่าดงนาบ่ปอนันสักกากมันจุงหลากนํามายังกว่งดงนาตัวใหญ่เอ้กู้ได้เล็งหันตัวแห่งมันนั่นโซจริงโปนโตตั้งไหวส่วนสูตั้งหลายนี่ใสย้อนเงาใบปาลา โบตามอาดยากูต้าผู้ผับดาวเวียงใจกวนนำไปคำคาฮือความนาบำไวเต้าวสู่ตั้งไหลนี่เราพิษแต่กาหัวตีกูจักพาดีภ่ายพดงดเวนโตดวางตำกันพิษแถมกำไปนากูจักคาบัดเดียว สูวจุงเร็วขึ้นส่วนยังที่อยู่ไผมันกันเจ้าหอจันที่ราชเก่าเสียงขาดสุดปลายเคยหกใจใจจืนปีติตื่นจมบ้านต่างยอมือสารต่างเก่าไว้เต่าเจ้าสับปันแล้วปากันขึ้นส่วนยังที่อยู่แดนตนก็มีหันเลนะ ต่อปารังทัดนันไปไปดาตนเจ้าฟ้าผู้บ้านอันโหราจาร์บเส้าได้บอกเล่าปันไมยยังอุบายอันใหม่เพื่อจักใส่ตันดกรรมฮือนอคุณทำยอดซอยได้กาดก้อยบำใบจิงเรียกเคยตั้งลายหน่อยไง มาพร้อมไข่จอมกันแล้วไข่ปันเกาจี้ฮือแจ้งทีขีนยาว่าบัดนีนากูปอขึ้นใจต่อขนิงหวังไข่ได้ป่ากังตัวใหญ่ยาวฮือได้ปอว่าเพืือเอามาปล่อยไว้ในสละใหญ่โบคารณีถึงยามดีมารอตาวันตอดลงแรง จักไปแย้งพออ่อก็เอยฮือจื่นจ้อยบ้านใจสู่จุงไปส่อใสหาฮือได้นำมาคนได้หาบา่าได้กูจักใส่ตันดกรรำคือฮือนำไปฆ่าด้วยดาบกาคมบางกันเจ้าหอกวางที่ราชก่าเสียงขาดสุดไป เคยตั้งลายจูผู้ต่างผามรู้ตามกรรมแล้วย่อมือตั้มต่างเกาไว้ป่อเจ้าผู้มีต่างลาหนีขึ้นสู่ยังที่อยู่แดนตน เคยหกคนผู้ปีมีใจกีจมบ้านว่าตามบังทานจูดาวย่อมมีป่าเข้าป่ากังตามบวกหวังน้องลองอยู่นอกห้องปารา เกยหันมาหลายลาคาบอนยากดีดีเสือ่องมือมีหลสัำดาพ้อมพัมจูพาการแล้วป่าปริบามวนมากออกไปจากเพียงใจตัวยกันไปเป็นทอยน้ำอ่านร้อยเป็นธา ร, ารีบไกลกายนาไปสู่ตาวังท่านกอมีหันแลยนา ส่วนเคยใจ น, ยน้องซอยนอพระยอดซอยบุญภายเต่าคนเดียวได้เตียยกว่าไปสู่ตาหวังทานอาทิธานก็อรอดถึงปียอดใสใจแต่เมื่อไนจาดก่อนอันไปเกิดบอลดากาเป็นพาญาแห่งนาคิตที่มากน่นนำบาคาแด่องคำปีไทย บดี้ตุกเอาไม่เรรนมาถึงตนคาน้องอันอยู่นอกคลองปราเหตุพาญายดยาวผู้ผับดาวปุรี อาจยามีตกใส่คือหาป่ากังใหญ่ไปถ้าวายตันกฎหมายที่บอกคือยาวสี่อกเป็นทารากันว่าหาบา่ได้เต้าจกใส่ตันดกักรรมคื อ, อน้ำไปคาคือความนาเมื่อมอนคาอาวอนลำล้นเตียงบ่ปนมาราณาเหตุว่าหาบา่ได ยังป่าใหญ่ตามกำตังชี้จำแฮน่งก็บ่อได้แต่งน้ำมาบ่อเกยด้าเมียดไว้บ่อเกยใจหากินบ่อเกยพิษสิน้อเก่าแต่ก่อนเก่าเมือนมาคือปานาติบาทบ่อได้ขาดมัวดำคอองค์คำเจ้าพี่มีใจกี่คุณนานำป่ามาเฮข้า อย่าได้จ้าบัดเดียวข้าจะาเรียวรีภาวนำไปถวายเต้าปาราสวนพญ า, านักใหญ่หูแจง้งไขในใจก็เรียวไว้ดวนหาออกจากดาวผางกาพดขึ้นมาไปใต้แม่น้ำใหญ่วังทานน้ำป่าจิ้นวานตัวใหญ่มาวางไว้ต่อตาแล้วใครจ้าบอกเรา แกน้องจาดเก่าตามมีต่างยินดีจมื่นปีติตื่นนานำตางไข่กำต่อท้อยมีบ่โน้อยไหลผากการนาผู้บ้านยศใหญ่กันกาละไขเตั้งตันก่อละนอคุณทันน้องเนาปอกตีเก่าแดนตนแล้วเอรีปนมวนหมู ออกมาสู่วังใสตั้งตีไก่และไก่ไล่ป่าน้อยใหญ่หลายพันหฮือป้กกันเล่นลีไปอยู่ตีแดนไก่ไปอาศัยหลืบทมตีขนน้ำไก่ตาหนอพุทธตีไว้ได้ป่าใหญ่ดังไม้ก็พันภายไว้วงเข้าสู่ห้องเวียงใจ ใล้ออนำไปถาวายเต้าผู้ผับดาวปุรีเต้าภูมิธิราชท่านเจ้าหน่อยนาบุญนานำยังป่าตัวใหญ่มาหือใดเร็วไว้ลวดนาบ่อใสใจเศร้านั่งจดเบาได้ได้ไดเหตุอุบายเกิดไว้บ่อสมไฟใจหวัง หน่อปุทดทั้งหนุ่มนาวกอกมเกาวันตาแล้วไก่กาขึ้นสู่ยังตี้อยู่เฮือนตนส่วนเคยหกคนพี่น้องไปสู่ต้องวังทานกับปริวานมากเต้าตั้งหนุ่มเทายิงายเพื่อคงควายสะสอดหายังยอดป่ากังตามบวกวั ง, องลอง ไปจู่ห้องดานาพ่องอาสาดงน้ำงมเสียงซ้ำบังใสพ่องตอดแห่ไปจู่แห่งพ่องลากแนงตกจำปาบ่คำลงข้างโยต่าตั้งแดนได้จู่วังใสเป่าจอยป่าใหญ่น้อยนี่หายกุ้งเดียวไหลแต่ก่อนก็บ่ฮันมี ทางมองขีเอาไม่เหตุบ่ได้อันใดถึงตาวันใสคำลาหลงลับป่าดุงเขียวจริงจักเกี่ยวปิกปอกวายนาออกคืนมาถึงผังกาภาษาตีห้องราดรงกันก่อป้ากันกลมเก่าไว้เต่าเจ้าตามี เจ้าปุรียอดยญวาแสงโคเท้าปานไฟไข่กําไปร้องด่าด้วยกยําหยาบจานานากมีหันแหลน า, าต่อปา ร, รังทัดนันไปแถมเหล่าเต้าเป็นเจ้าภาปรากปุโรหิตาสอกอกหากจีบอกอุบาย เรียกเคยใจยมวนหมู่มาพร้อมอยู่โรงกันแล้วไข่ปันเกาจี้ฮือแจ้งทีขีดยาว่ า, า, าป่อผาธนาบ่อพรตั้งแต่ก่อนเบิ่นนำไข่ได้นกยุงคำตัวใหญ่เอามาเลี้ยงไว้ก่อยแย ง, งยามตาวันแดงแดดอ่อนพอมมันป้อนพัดผัน สู่จุงป้ากันรีพาวไปสู่ดาว ด, าดงดำยับยุงคำตัวใหญ่มาหือได้ดังใจกันคนใดบ่ได้กวจกใส่ตันดกรกำอันฮึกนำไร่โหดคือมีตัวถึงตายเขย่ตั้งลหลจูพฟูต่างพำรูอาสา แล้วรีบระาดวานหาปอกสู่ดาวแดนตนส่วนนอตะสะบ้นตนอง์อาจก็ยกย่ายบาทภายพันด้วยเรียวปันไว้วง <c oughs> ไปรอดห้องเกหาก็ใคร่จากก่าูหือนางได้หูตามมีนางชมสีแบนฟ้าตุกโซกามองผ่าน เหตุพระผู้บานปอดไทยตกแต่งใสอุบายมีมากลายพร้อมพัมบู่เสียงซ้ำลายหนุนเปือเ่อกเฮตนเคยลาไดความนาเมื่อมอนสลีบังอ้นยอดซอยริรำถอยไหลาภาคการแล้วดาอาหารห่อเขา้า คือแก่เจ้าบุญมีหนอมูนีบอจ่าเข้าสู่ป่าดงดอนลัดเตี้ยวจรดันเถื่อนบ่มีเปือนเดียวปอยข้ามลาลาหลดยไหลห้วยข้ามเหวลิงช่วยพาจันถึงดงตันป่าใหญ่กอ่อขึ้นไข้ขนิงใจคืออาทิตย์ทานใจกืดรอด เพืองปีนยอดกิ่งงามผู้ทวนสามจัดก่อนว่าบัตนี้คาหน่อยอ่อนคำใจน้องสุดปลายแห่งเจ้าแต่จัดเก่าเดิมมาตุ๊กเครื่องกาไม่ม า, มาต้องปาถึงตัวเหตุเจ้าเนือ้อหัวยอดเง้าวผู้ผับดาวปุรีอาจยามีตกใส่ข้าได้ไผพัน ด้วยเร็วปันว่นไวว่องมาสู่ห้องดงดำยับนกยุงํำตัวใหญ่ไปาวายเต้าไทายหอใจกันคนใดบดด่ใดเต้าจักใสต่ตันดักกำอันฮึกนำไรโหดคือมีโตดถึงตายขอบุญภายปีเจ้า อย่าเว้นกำก่าปติญยาขอจุงมาช่วยข้าอย่าได้จ้าบัดเดียวหุ้งดงเขียวตัวองอาจอยู่เข้าไกลาดแดนไกลบ่มีภัยไปรอดกอหอูแจ้งจอดอธิษฐานแห่งนอโปธิญาณหนุ่มเต้าน้องจัดเก่าเตรียมโตเตรียมตนก่อเรียนรนบ่จ้า บินเข้าป่าดงดำยับนกยุงํำตัวใหญ่มาฮือใดสับปันแล้วไขปันเกาวจี้ฮือแจ้งทีความในว่าแต่นี่ไปเมื่อนากันน้องลาบุญเรื่องใดขี่เครื่องร่อนไม่รือภยอยัยยะใหญ่มาจนจุงอยู่เฮือนตนนั่นเล่า อย่ามาป่าเศร้าดงดานอธิทธานรอดปีไรบอกจีขี้ยาปีจักจากดงนาป่าเศร้าไปจุยเจ้าบุญภายคือสมมายไฟหอยบอกือกาดก้อยวิตวามตนใจรำน้องเนากับหุ่งเจ้าดงไพรต่างจะไรต่อท้อย มีบ่อน้อยนานาแล้วอำลาคืนสู่ยังที่อยู่ไผมันหุ้งดงตันไปรอดถึงที่จอดแดนตนกลางไผ่สนป่ากว้าง แดนตาต่างหิมมาปานก็เฮอปริวานทวนนาบินเข้าป่าดงนาไลนกนานะมวลหมูห่ืฮไปอยู่แดนไก่ที่คนไปบวรดพานบวสอดไปหันนกดงตันน้อยใหญ่หุ้งมาไล่รวีต่างบินหนีรีผ่าวไปสู่ดาวแดนไก่ ในดงงพรายตีไกสั ง, งัดไข่เ ย, ย็นวอยนกหายซอยจูห้องบ่มีเสียงร้องคันคันนอขุนทันตีไว้ได้ยก น, กนกยุงใหญ่ดังไม้ก็ผันภายรีพาวออกจากดาวดงดำยกตีนตํ้บ่จอต่อเต่ารอดเวียงใจแล้วนำไปถาวายเตา้า ผู้ภาพดาวปุรีพระภูมีเจ้าฟ้าหันเคยลาบุญนำได้นกยุงคำตัวใหญ่มาหือไดเรียงไวบ่จะใครต้านต่อตาอลพอได้ได้เหตุอุบายเกิดไว้บ่สมไฟขันนิ่งวังนอพุทธทั้งนุ่มเน่าก่อกมเก้าวันตา และรีปลาคืนสู่ยังที่อยู่เฮือนตนก็มีหันเล น, นาส่วนเคยหกใจผู้ปีนาบอกกี่เจยบ้านเต่าป่าปริวานลายหลากออกไปจากปาราเข้ดงนาเถื่อนทอง ไปรอดห้องแดนไก่อัศะจันใจบ่อผ่อนตั้งแต่ก่อนเดิมมานกนานฬลายหมู่ย่อมมาอยู่ซุ้มกันร้องคันขันตอบทองเสียงมีกองดงดำตั้งนกเอียงคำเข้าบินตั้งดกอินและล่านกคาตานกจอกบินเข้าออกสะสนบินเวียนวนสอดเสียว เหือนรถเลี้ยวเลยกันนกเขาคันเรียงกูพ่องจับอยู่สาขาพ่องอยู่เฟื่อนยน้าซอไสกินลูกไม่ไปบนนกไพรสนลายหมู่เกยหันอยู่นำนาบัดี้นาะเปาวางบา่มีข้างแดนได้นกในไพรหายกว่าจู่ปงป่าเย็นวอย นกหายซอยเสียงคอดบอบินสอดมากายหกเคยใจยปีเก่าร้อนไม่เอามองผ่านป่าปริวานลายแหล่ซะจูงแงดงตันก็บอ่อหันแหละได้ยังดกใหญ่ยุงคำแม่นนกดงดำน้อยใหญ่ก็บอ่อได้เล่งหันถึงตะวันคำละ ลงลับป่าดงเขียวจริงปอกเลียวขึ้นสูญังที่อยู่เวียงใจแล้วขึ้นไปขับไม่บอกเต่าไทายตามมีเจ้าปูรียดยอดแสงเชียวโคตหนานำแสงไข่กั๊มหยาบจ้าจุ่มแจ้งดาายพาการก็มีวันนั้นแลยนะ เนติตังขีญาสังวันน า, นาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแต่คำผูกทวนแปดอาจารย์แครดเป็นธราว่ากุ้วันสาวซ้ายังจอดหือหิวหอดไม่หายหือสัท่าไหลหนุ่มเทาได้เหยียดเขาวางมือก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลว